สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ FM 106 ครอบครัวข่าวดิฉันสัมสนีนาคพง กราบนมัสการค่ะเย็นวันเอ่อตัณหา 2 เอ่อเป็นไป 3 มี 3 อย่าง 3 3 าง. นะ, า, า, นะ 3 อย่างเนี้ย 3 อย่างนะคือกามตัณหาแล้วก็ภวตัณหาแล้ว 3 อย่างเหล่านี้กามตัณหาก็คือความที่ 5 อย่างนี้ก็ <ฮ ะ. S 1> เรามีตัณหาในบ้านสวยหลังโตๆรถหรูๆเสื้อผ้าสวยๆอย่างนี้เป็นต้นค่ะหรือแม้ เขาจะเกิดปัญหาขึ้นจะเกิดปัญหาขึ้นเขาก็จะมีตัณหาขึ้นแต่อ่านี่คือคนที่มีคนที่มีของ 5 เนี่ยมีอยู่แต่เขาเช่นขอทานยาจกไม่มี กำหนัดในสิ่งที่ตัวเองไม่มีก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเค้าไม่กำหนัดก็ได้เหมือนกัน 2 เค้าเรียกว่าภวะตัณหาคือความ นะก็เลยอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นค่ะอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นความอยากในทาง อันหนึ่งที่อรหันต์สังเกตเห็นก็คือ 1 อยู่แล้วนะ ยศตําแหน่งลาภยศสการเสียงสรรเสริญพวกนี้เป็นเป็นเนี่ยเช่นว่าอันนี้มันจะอาจจะ นะเช่นคนที่เขาไม่อยากค่ะอ่าท่านพระบุญคะๆแล้วเต็มไปด้วยตัณหา ตามที่ท่านให้ข้อจํากัดคําจํากัดความของราย ไหลนอมแผ่ซ่านเป็นกาวเหนียวยางเหนียวคุณแตะนิดเดียวมันติดหนึบ เขาเรียกว่ารากของย่ามุนชะหรือย่ายาปปชะเนี่ยเอ่อถ้าสมัยนี้ ยุ่งผมได้เหมือนกลุ่มได้ที่พันกันอย่างแน่นผมได้เพราะเราจี้ไปค่ะงั้นงั้นสรุปเลยว่าคนส่วนใหญ่จะจม นะก็ยังมีตัณหาอยู่ก็จะเป็นอย่างงี้ค่ะสว่างโล่งนะโล่งสว่างไม่ถูกรัดรึงไม่ถูกกุม นะลิงนี่มันอยู่ตามภูเขาอะไรต่างๆตังเหนียวไปวางไว้นั้นตังเหนียววางไว้แล้วก็ เอา สوء แล้วทีนี้ทําไงก็เอามือซ้ายเนี่ยเพื่อที่จะแล้ว 2 มือติดแล้วทีนี้ก็ 4 <ฆ. S 1> ขาติด 4 ขาแล้ว พอทั้งปากทั้งขาทั้งแขนอะไรต่างติดหมดแล้วทํายังไงก็ทําอะไรไม่ได้แล้วทีนี้เราติดหนึบเพราะว่ามันติด บางทีหนังมันติดออกมากับสงสารซึ่งถ้าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเอาไปโอ้บางทีมันเฉียงคอเป็นเอ็นนั้นเอง อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเอ่อปริชาตรัสมาอย่างนี้บอกว่าตัณหาเนี่ยสัตว์ ไม่รัดคอมันจนแน่นแต่เงื่อนเนี่ยแน่นแกะได้ยากแปลว่านะรวมกับแกะยากนิโคลาอัน เที่ยวไปหาข้างนอกอ่ะว่าเอ้ยตัณหาต้องอยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ตัวนู้นข้างนอกคนอื่นคนนั้นคนโน้นนะไปๆมันอยู่ตรงกลางนี่ตรงตรงกลางนี่ฉะนั้น นะตัณหามันจะพัดเราไปทางต่ํานะอีกตัวอย่างนึงที่พระเจ้ายกอุปมาอุปไมยก็คือเหมือนกระแสน้ํานะกระแส คือชื่อแห่งความครับแค้นใจชื่อแห่งกามชื่อแห่งความๆจะอยู่ตรงนั้นดังนั้นถ้าเราจะหนีออกจากตรงนี้ได้เราไม่อยากถูก การเห็นสมาธิภาวนาอย่างงี้นะเป็นการไหวถวน แล้วว่าเคยโดนเข็มตําอะไรพวกเนี้ยมันจะป่าเป้าอ่ะนะที่ป่าเป้า เนี่ยคุณจะต้องละมันทิ้งไปทีนี้มันๆอ่ะนะคุณเอาน้ําหยด หรือว่าไอ้ตันดอกเอ่อลูกดอกที่มันนี้ก็จะมาพูดต่อว่าไอ้ที่สั่นใบแผ่สั่นใบเนี่ยมันนี้ได้ วันนี้ก็เป็นการทําความจริงๆคุยกัน ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะสําหรับเรื่องของตัณหาเนี่ยถ้าๆกับที่ท่านเลยไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาการเพลินใน นะคะแล้ววันพรุ่งนี้ท่านพระบุญจะ 27 ตุลาคมนี้